สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในหมวดของเรื่องนี้รับผมนายทหารคนชอบเล่าวันนี้มีเรื่องแปลกๆจะมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังครับเรื่องแปลกที่ว่านี้เป็นเรื่องของพี่ตุ๋ยครับพี่ตุ๋ยก็เล่าให้ฟังว่ามันจะน่ากลัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ที่ปู่แกเคยเจอมาประเภทหนึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรที่แกได้ฟังมาจากปู่เนี่ยก็เพราะว่า ตอนเด็กๆสมัยเด็กๆแกไปเล่นที่บ้านของปู่ก็ไปปั่นรถจักรยานเล่นกับเพื่อนกับฝูงนี่แหละแล้วบังเอิญก็ไปเจอไอ้ตัวอะไรสักอย่างหนึง่งมันตัดหน้ารถจักรยานแกตกใจรถจักรยานก็ล้มแกก็แหกปากร้องกันใหญ่เลยในกลุ่มเพื่อนฝูงเรื่อว่ามันเป็นงูแม่กับปู่ก็วิ่งมาดูก็เห็นว่าเห็นหลังไวๆก็บอกว่ามันไม่ใช่งูมันเป็นแค่จิ้งเหลนตัวใหญ่ๆสองสามตัววิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี่เอง และปู่ก็บอกว่าตุ้ยเอ้ยแค่นี้ก็กลัวสัตว์พวกเนี้มันไม่ทําอันตรายเราหรอกสัตว์พวกนี้มันมีแต่จะหนีคนตุ๊กแกก็เหมือนกันงูก็เหมือนกันถ้าไม่ไปใกล้มันไม่ไปรบกวนมันมันก็ไม่หันมาทําร้ายเรหรอกที่มันทําร้ายก็เพราะว่ามันกลัวเป็น ล, ลูกผู้ชายอย่าปอดแหกนะสิตอนนั้นแ ก, กก็บอกกับปู่ว่าอุ้ยก็มันน่ากลัวเนี่ปู่ตัวมันเหลื่อมเหลื่อมดำๆยังไงไม่รู้น่ากลัว จากแยงเน่ยหน้าตามันก็ดูน่ากลัวด้วยถ้าโดนมันกัดเนี่ยยังไงก็ไปขอเข้าใกล้เด็ดขาดกลัวมันกัดเอาปู่ก็เลยบอกแกว่าเนี่ยถ้าเองได้ไปเจอตัวที่ปู่เคยเจอสมัยก่อนน่ะสงสัยจะกลัวจนขี้ขึ้นสมองแล้วบังเนี่ยพี่ตุย๋ยวเลยถามปู่ว่าเจอตัวอะไรครับปู่มันเป็นยังไงอะ่ะปู่ก็บอกว่าจะฟังจริงเหรออ่าอถ้าจะฟังก็จะเล่าให้ฟังแล้วกัน และปู่ก็เล่าให้แก่ฟังว่าครั้งนั้นน่ะปู่ยังทำละครอยู่เลยเที่ยวเอาละครไปแสดงที่นั่นที่โน่นที่นี่ไม่ได้ยุ์ต้องขึ้นเหนือลองใต้เม่ด้ขาดจนวันหนึ่งได้มาถึงที่ทับคร้อจังหวัดพิจิตรปู่จำได้ว่าที่นั่นอากาศดีจริงๆปู่หาที่พักได้เป็นบ้านเช่าก็เลยขอเช่าข้สามสี่หลังเพราะไหนจะมีตัวละครนักแสดงและยังมีของอีกมากมาย ค้นฉากอีกละแต่ทว่าบ้านแต่ละหลังก็อยู่ในที่ดินเดียวกันทั้งนั้นนะตัวบ้านที่ปลู่พักเป็นบ้านชั้นเดียวใต้ถุนสูงมีบันไดยอยู่นอกตัวบ้านบนบ้านมีอยู่ด้วยกันสามห้องมีทางเดินขั้นกลางมีนอกชานกว้กวางๆทางลงบันไดจะอยู่ที่ท้ายระเบียงพอลงไปแล้วก็จะมีชานพักยกพื้นเล็กๆก็กจะถึงลานใต้ถุนที่มีครัวและห้องน้ําอยู่ติตดๆกันถัดจากลานใต้ถุนไปไม่ไกลนะัก ก็จะมีคลองเล็กๆอยู่ด้วยคลองที่ว่านี้เป็นคลองขุดน่าจะขุดมานานแล้วอย่างน้อยๆก็น่าจะหลายสิบปีทีเดียวพระรูจากร่องรอยและสะพานไม้ที่ทอดข้ามคลองนั้นก็เก่าแก่ดูทรุดโทรมเต็มที่เหมือนกันมันดูไม่ชอบมาพากลยังไงก็ไม่รู้มันบอกไม่ถูกเหมือนกันพี่ตู๋วิลถามว่ามันยังไงนะครับปู่ปู่ก็บอกว่าเอ๊จะบอกยังไงดีล่ะตอนที่ปู่ไปถึงตอนแรกปู่ก็รู้สึกแปลกๆ ก, กับคลองนี้แล้ว รวมทั้งสวนรกรกที่ครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ข้างคลองนั่นด้วยมันเป็นอะไรที่ปู่รู้สึกไม่ค่อยดีนะ่ะมันเหมือนเป็นหลังสังหรณ์ยังไงยังนั้นเลยพอเราได้เช่าบ้านก็เตรียมคนงานคนฉากเข้าไปดูเอานักแสดงตัวละครเข้าไปเพราะจากบ้านเช่านี้ไปที่วิคเราแสดงนั้นมันไม่ไกลกันมากนักดังนั้นบ้านที่เช่านี้ถือว่าสะดวกที่สุดแล้วแรกๆก็ไม่มีอะไรหรอกเช้าๆบ่ายๆปู่กับพวกนักแสดงก็ซ้อมละครกัน ช่องบทเขียนเพลงไปตามเรื่องวันไหนต้องคุมคนฉากก็ดูเขาเขียนฉากและคุมคนงานยกไปติดตั้งเพื่อจะได้สะดวกเวลาเปลี่ยนฉากไม่ทุรักทุเลและก็ป้องกันอันตรายเผื่อฉากมันจะล้มไม่ด้วยเราทํางานกันทุกวันเลยอย่างนั้นน่ะปู่ไปอยู่ที่นั่นเกือบสเดือนปู่ก็ทําแบบนี้ทุกวันทุกวันแหละมันเป็นอะไรที่เหมือนเดิมตื่นเช้ากินข้าวซ้อมละครคุมคนฉากเปลี่ยนฉากเขียนบทเขียนเพลง แล้วตกเย็นก็ไปวิคกลับมาก็เกือบห้าทุ่มแล้วก็นอนวนเวียนอยู่แบบเนี้ยเราจะมีวันหยุดอยู่สองวันคือวันจันทร์กับวันพุธเพราะวันเสาร์ควรจะหยุดอยู่บ้านวันนั้นจะเป็นวันที่คนมาดูเราแสดงเยอะแต่วันจันทร์กับวันพุธจะเป็นวันที่คนมาดูเราน้อยก็เลยหยุด2วันนี้และไอ้วันที่หยุดน่ะถ้าไม่ได้ทาอะไรปู่ก็จะเข้าไปในเมืองซื้อของกินของใช้มาตุนไว เาทุกทุกอย่างเราต้องเตรียมมาไว้ให้นักแสดงคนงานและคนฉากดังนั้นปู่ก็เลยเข้าในเมืองทุกวันหยุดนี่แหละเพราะปู่ออกไปคนงานคนฉากมันก็จะทํางานกันไปไม่มีใครอู้หรอกเพราะทํางานด้วยกันมาหลายปีเพอบ่ายก็ว่างปู่ก็ยังไม่กลับพวกเขาก็ตั้งวงเล่าเป็นเรื่องปกติปู่จําได้ว่าตอนปู่มาถึงนะ่ะมีคนเธอแถวนั้นเขาเตือนเราเรื่องตัวอะไรสักอย่างหนึ่งบอกให้เราระวังมันเอาไว้ ปู่ก็ฟังฟังเอาไว้ก็ไม่ได้สนใจเพราะคิดว่าเขาขู่คนต่างถิ่นอยาพวกเราแต่ตั้งแต่อยู่มาก็ไม่เห็นมันจะมีอะไรสักอย่างก็ลืมๆกันไปวันหนึ่งกลับจับวิกฤตาละครดึกโคมากแล้วแหละคนงานคนฉากและนักแสดงเดินกลับมาด้วยกันหมดและพอข้ามสะพานข้ามคลองที่จะมาที่บ้านพักเราทั้งหมดก็เห็นอะไรบางอย่างปู่บอกไม่ถูกจริงๆว่ า, วามันเป็นอะไรจะว่าจระเข้ก็ไม่น่าจะใช่ จะว่าตะกวดก็ไม่เชิงมันดูไม่ชัดเพราะเห็นแวบเดียวมันก็กระโจนลงน้ําไปแล้วแต่คนงานคนฉากก็ยืนยันกันว่ามันไม่ใช่จระเข้แน่ๆตั้งแต่นั้นมาเราเลยระวังตัวกันตลอดไม่ลงเล่นน้ําในคลองเพราะกลัวว่าจระเข้มันจะจู่โจมเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทั้งๆที่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นตัวอะไรแต่เราก็ไม่ได้บอกคนแถวนั้นด้วยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายคนแถวๆนั้นเขาก็มาถามกันว่า เห็นอะไรแปลกๆบ้างไหมแล้วก็ตอบกลับไปเชิงแบบว่าเขาคงจะมาถามหาเรื่องผีนั่นแหละก็เลยบอกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยคนท่วนั้นเลยบอกว่าก็ดีแล้วแหละไม่มีเด็ดีแล้วมันไม่มาน่ะดีที่สุดตอนนั้นปู่ได้ยินปู่ก็งงๆนะอะไรไม่มาวะอะไรไม่เห็นน่ะอยากรู้แต่ก็ปากหนักไม่ได้ถามทีนี้หลายวันต่อมาจากนั้นไม่นานวันนั้นเราหยุดพักการแสดงเพราะอาทิตย์นั้นมีงานประจาปี คนมาเยอะแต่เราก็ถูกขอร้องให้ไปเปิดการแสดงในวันจันทร์กับวันพุธด้วยเพราะคนต่างถิ่เนเขามาดูเราให้เงินส่วนหนึ่งกับทางอำเภอเขาไว้ทำงานการกุศลคนที่นั่นเลยอนุโมทนากับพวกเราใหญ่โตเพราะเราไม่เอาเปรียบพวกเขาเพราะปู่หยุดตอนช้าปู่ก็ไปธุระซื้อข้าวซื้อของตกบ่ายปู่ก็กลับกลับมาก็ตั้งวงกับคนงานนักแสดงคนฉากเหมือนอย่างเคยก็กินงินไปคุยกันไปวันนั้น เราเริ่มตั้งวงกันตั้งแต่บ่ายแก่ๆเรื่อยไปจนเกือบจะทุ่มหนึ่งได้ทีนี้แหละและปู่จะบอกว่าปู่เห็นตัวอะไรมันก็ไอตอนนี้แหละตอน โ, รโพรเพสเนี่ยะจู่ๆก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมาทีแรกปู่ก็ไม่รู้รอกว่าอะไรเสียงไม่นด้มาจากตรงไหนรู้แต่ว่าเสียงมันเหมือนไอน้ําเดือดหรือเสียงจากกาต้มน้ํำเลยทีเดียวมันดังฟูฟ่ฟูฟู่อยู่ตลอดเลย พวกเราก็หันหลีหันขวางกลัวว่าอะไรมันจะไหม้ไฟอยู่หรือเปล่ากลัวไฟมันจะไหม้บ้านเขานะี่ยแล้วพวกเราก็จะเดือดร้อนก็เลยช่วยกันหาดูแต่ดูจนทั่วจนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นมีอะไรสักอย่างพักใหญ่เสียงมันก็เงียบไปแต่หน้าแปลกเสียงมันไม่ดังอยู่กับที่นะเดี๋ยวดังที่นั่นเดี๋ยวดังที่นี่ตอนนี้ดังอยู่ตรงโน้นเดี๋ยวก็ไปดังตรงนั้นอีกไอเราก็ว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงของตัวอะไรหรือเปล่านะแต่หาจนทั่ว ก, ก็ไม่มีก็มานั่งกันที่แค่ พอหย่นตัวจะนั่งเท่านั้นแหละจูๆ่ๆปู่น้ําคนฉากแกก็ร้องออกมาเสียงดังลั่นเลยโอ้ยโอยโอ้ ย, อยดูนั่นดูนั่นดูนั่นเสียงแกดังไม่ใช่เล่นๆ เ, เราทั้งหมดกําลังจะนั่งก็ชะงักกันเลยหันไปมองตามที่แกเอะอะโวยวายก็ชี้ให้ดูพวกเรามองตามแกก็เห็นอะไรบางอย่างสีดําๆมันเป็นเลื่อมลักษณะคล้ายๆงูตัวเบ้อเร่อเลยเหลียวรับหายไปในสวนที่รกๆนั้นหลายคนจะลุกตามไปดูแต่หลายคนก็ห้ามกันไว้ปู่ก็ว่าจะไปเหมือนกัน เฮ้ยเฮ้ระวังมันอาจจะเป็นงูเหลือมก็ได้นะคนในกลุ่มก็พูดขึ้นแต่ปู่ว่ามันไม่ใช่หรอกงูเหลือมตัวมันต้องเป็นลายๆแต่นี่มันสีดําเลื่อมอย่างนั้นนะ่ะไม่ใช่งูหรอกแต่มันเป็นตัวอะไรไม่รู้สิจระเข้หรือเปล่าวะตะหนุนหันมาถามไม่ใช่จระเข้แน่แน่เพราะจระเข้มันจะตัวเป็นตะปุ่มตะป่ําแต่นี่ตัวมันเป็นเลื่อมเลยนะทุกคนก็เห็นใช่เป่าตาน้ําก็หันมาถามกับทุกคนอีกทุกคนไปยักหน้าเพราะว่าเห็นอย่างนั้นแล้วจริงๆ เวลานั้นไม่รู้หรอกว่าไอตัวที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นตัวอะไรข้ามคลองซะก่อนและถึงจะลุยเข้าไปในสวนได้พอเราเดินข้ามคลองมันก็มีเสียงนึงดังตูม้มมันเป็นเสียงเหมือนคนกระโดดน้ําน้ํำในคลองแตกพวกเราเลยคิดว่าลองไปดูกันไหมปู่เลยชวนพวเพื่อนไปดูกันหลายคนก็คลางแคลงใจเลยตลกลงกันว่าไปเอาตะเกียงเอามีดกับขวานมาด้วยเตรียมไว้ผู้หญิงขึ้นบ้านไปให้หมดเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไร และปู่ก็พากันเดินเข้าไปในสวนตอนนั้นน่ะพวกเราก็กระจายกันออกเป็นวงกว้างแล้วเราก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ในน้ํามันเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าจะเหมือนคนก็ไม่ใช่เหมือนสัตว์ก็ไม่เชิงตัวดําเลื่อมมีหางยาวเหมือนงูกําลังว่ายน้ําออกห่างจากเราไปเรื่อยๆหลายคนก็วิ่งตามไปข้างข้างคลองเพื่อดูให้รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่ปู่ก็ต้องห้ามไว้เพราะไม่รู้ว่ามันจะมีอันตรายไหมเราเลยหยุดรอมันดูอีกสักพักก็ไม่เห็นมันอีกก็เลยพากันกลับ แต่คืนนั่นเองพวกเรานอนกันไม่ค่อยหลับเพราะความสงสัยมันวนเวียนอยู่ในหัวพวกเราประมาณตีสามได้นอนไม่หลับก็ลุกขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็เห็นตะน้ำอยู่ที่หน้าต่างปู่ก็เลยถามว่ามีอะไรวะน้ำตะน้ำก็จุก ป, ปากบอกว่าพี่จวงพี่จวงมาดูไรนี่พอปู่เดินเข้าไปดูข้างๆตะน้ำภาพที่เห็นมันทําให้ปู่ตกใจเลยว่ะเพราะสิ่งที่ปู่เห็นนี่ยมันเป็นตัวอะไรบางอย่างกําลังคารไม่สิ มันดูชอบกลเหมือนคนลงไปคานแบบกิ้งกาหรือจิ้งจกแต่คานเร็วจี๋เลยและกําลังครารมาทางนี้ด้วยตัวอะไรว่าน้ําปู่เลยถามต่น้ำแต่น้ําก็สายหน้าบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จวงผมไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยนะไอเจ้าตัวประหลาดนั่นอะเคลื่อนที่รวดเร็วมากมันคลานเข้ามาใกล้บ้านเราเต็มที่แล้วดิผมมานั่งดูเห็นมันตั้งแต่ขึ้นมาจากคลองใหม่ๆนั่นแหละนั่นไงมันคลานมันหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหันซ้ายหันขวา ตอนน้ำบอกและตอนนี้เองอะ่ะบูเลเห็นมันถนัดถนัดหน้ามันเหมือนคนแต่ก็เหมือนกิ้งกา่าปากแหลมแหลมแต่มีหน้าคนอยู่ปนไปด้วยตัวสีดำเลื่อมเหมือนจิ้งเหรนนี่แหละแบบเดียวกันเลยอะ่ะหางยาวเหมือนงูแต่อ้วนกว่ามากแต่รูปร่างตัวข้างบนมันอะ่ะเป็นคนชัดเจนมีแขนมีขาเหมือนอย่างเราๆนี่แหละแต่ดันผ่ามีหางออกมาอย่างจิ้งเหลนซะอีกมันแกว่งไปมาไปม า, ปมาก่อนจะคลานมาข้า ง, า ง, างบ้าน แล้วก็ปีนขึ้นไปบนบ้านอีกหลังหนึ่งมันปีนมันไต่ได้เหมือนจิ้งจกตุ้กแกเลยไต่แพรบเดียวก็ขึ้นไปอยู่ที่เชิงหลังคาแล้วถ้าทางมันจะหาทางเข้าไปในบ้านอีกหลังนั่นแหละตอนนั้นปู่กับตาหน้ําไม่รู้จะทําไงดีไม่รู้จะเตือนคนในบ้านหลังนั้นได้ยังไงและพอขยับตัวก็มีเสียงคนฉากที่อยู่ในบ้านหลังนั้นร้องขึ้นมาซะก่อนปู่เลยรีบหยิบปืนวิ่งตามลงไปตาน้ําก็ตามไปติดๆแล้วเราก็ได้เห็นตัวมันถนัดมันเพ่นพรวดลงมาจากหลังคา ห่างจากที่พวกปู่ยืมไม่เท่าไหร่ทั้งเราทั้งมันต่างตกใจแต่มันได้สติก่อนก็เพ่นหนีทันทีท่าทางที่มันคาลหนีตอนนี้เหมือนจริงเหรนไม่ผิดไต่ตุ้มเตี่ยมแต่รวดเร็วไปตามพื้นหญ้าและก่อนที่มันจะกระโจนลงคลองปู่ก็ยกปืนยิงไปนหนึ่งนัดเสียงปืนดังลั่นเดหมดเลยปังเห็นแต่มันสะดุ้งอยู่นิดนึงแสดงว่าปู่ยิงโดนแน่ๆมันกระโจนลงคลองแล้วก็ว่ายน้ำหายไปเลย ตอนนี้คนงานคนฉากและชาวบ้านก็มามุงกันเต็มเลยเพอต่างก็ได้ยินเสียงปืนต่างคนต่างก็ถามว่ามีอะไรมีอะไรปู่กับตาหนาก็เลยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังตะค้างตะค้างตะค้างแน่ๆใครไม่รู้ในกลุ่มชาวบ้านพูดขึ้นมาเขาบอกว่าไอเนี่ยมันเป็นผีบางกว่าเป็นคนเรียนวิชาทางต่ำสามารถแปลงร่างได้ร่างที่มันแปลงก็คล้ายๆกับที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละ รูปร่างมันก็เหมือนคนแต่คลานอยู่กับพื้นเหมือนสัตว์เหมือนจิ้งเหลนกิ่งกาตัวสีดำดำเป็นเลื่อมหางยาวเหมือนงูเลยชาวบ้านเขาอธิบายให้ฟังอย่างนี้พวกปู่ก็พยักหน้าว่าใช่แหละใช่แหละมันแหละที่เราเห็นแบบนั้นเลยพวกเขาเลยบอกว่าระวังมันไว้ให้ดีแล้วกันเพราะมันอาฆาตพยาบาทแรงก็ถือว่ามันเป็นประเภทเดียวกับผีป่าเหมือนกันคืนนั้นพวกของปู่ก็เลยกลับไปนอนแต่ไม่มีใครนอนหลับสักคน พอต่างคนก็ต่างวาดระแวงไอ้ตัวตะค้างที่ว่านี้ไปทั่วเลยจนรุ่งเช้าก็งัวเงียกันตั้งแต่ไกลโหถัดจากวันนั้นและอีกหลายวันก็ไม่มีข่าวคร า, าวของไอ้เจ้าตัวนี้อีกเลยจนวันที่ปู่จะกลับปรากฏว่ามีคนเข้าว่าพบศพคนตายนอนลอยอยู่ปลายคลงมีรอยโดนยิงทะลุหน้าอกหนึ่งนัดศพนั้นท่าทางจะตายมาหลายวันแล้วด้วยไม่มีใครรู้ว่าหมอนั่นมาจากไหนสุดท้ายเรื่องก็เงียบไป ตปู่แน่ใจว่าไอเจ้านั่นน่ะมันอาจจะเป็นตัวตะคางที่ชาวบ้านว่าและรอยกระสุนที่หน้าอกมันก็อาจจะเป็นรอยกระสุนนัดนั้นที่ปู่ยิงสุ่มๆออกไปก็ได้แต่ปู่ไม่ได้พูดเรื่องนี้ให้ใครรู้เลยนะคนที่รู้ดูเหมือนว่าจะมีแต่ตา้ําเท่านั้นเพราะตอนนั้นปู่บอกว่าปู่แค่ยิงขู่ๆเท่านั้นสุดท้ายเรื่องก็เงียบและตั้งแต่นั้นมาปู่ก็ไม่เคยเห็นตะคางหรือคนที่เรียนวิชาแบบนี้อีกเลย ความรู้สึกในเวลานั้นน่ะปูก่ก็กลัวที่สุดเลยนะตั้งแต่เห็นอะไรตัวอะไรมามากมันไม่มีอะไรที่น่ากลัวเท่านี้เลยใครไม่เคยเห็นไม่รู้หรอกว่ามันน่ากลัวมากตอนที่อยู่ห่างจากปู่แค่คืบเท่านั้นเองฟังดูแล้วเป็นไงเลยตุ๋ย ơi. มันน่ากลัวกว่าจิ้งเหลีย น, นที่เองกลัวหรือเปล่าล่ะพี่ตุ๋ยบอกได้แต่นั่งฟังงึกเงึกเ ง, งึกอย่างเดียวเลยไอสิ่งที่แกกลัวคือจิ้งจกจิ้งเหลียนตุกแกเนี่ย เทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่ปู่เจอมาเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องแปลกและนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่ตุ๋ยเล่าให้ผมฟังครับท่านผู้ฟังว่ามันน่าแปลกไหมครับมันจะมีจริงหรือเปล่าเรื่องอย่างนี้เราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าอะไรมันจริงหรือไม่จริงเพราะวิทยาศาสตร์มันไม่อาจจะพิสูจน์ได้ในเวลานี้แต่โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันมีเปอร์เซนต์ความเป็นจริงสูงนะครับเพราะว่าคนที่เรียนวิชาอาคมก็ยังพอจะมีอยู่ ในสมัยก่อนทุกวันนี้ก็อาจจะมีคนแอบเรียนกันอยู่ก็ได้ใครจะรู้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านได้รับความบันเทิงนะครับจากการฟังเรื่องราวของปู่ของพี่ตุย๋ยอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ